สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลมาพบกันตามปกติและเรื่องที่จะนํามาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็ยังเป็นชีวประวัติของท่านนาถาบิดกษิตีอุบาสกและเรื่องที่เล่าข้างไว้ก็เล่ามาถึงตอนที่ท่านนาถาบิดกษิี ได้มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วว่ากราบทูลเล่าเรื่องราวที่ไปสนทนากับพวกดีรธีปริพาชกให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงประทานสาธุ ก, การว่าดีแล้วดีแล้วขระบดีท่านพึงข่มขีพวกโมคะบุรุษคําว่าโมคะบรุษก็หมายถึงบุรุษเปล่าหรือคนที่ไม่มีประโยชน์โดยพระพุทธเจ้า ตรับให้รู้จักข่มขีบุคคลผู้เป็นโมฆะบุรุษเหล่านั้นให้เป็นการข่มขีด้วยดีโดยการที่สมควรโดยชอบธรรมอย่างนี้และต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงแกานานาธา่ธนนาถบิฎกเศรษฐีให้เห็นชัดให้มีความถือมั่นอันดีให้อาหาน ร, ร่าเริงด้วยธรรมีกถ า, า, า, าธนนาถบิิกเศรษฐี ครั้นได้ฟังทำมีคาถาแล้วจึงกราบถวายบางโคมลาและกระทําประทักษิณแล้วกลับไปเมื่อท่านานาถาบิดตะเศรษฐีกราบถวายบังโคมลากลับไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสกับพระพิสุทั้งหลายเพื่อให้ได้เข้าใจความเป็นไปว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุใด ได้รู้แจ้งธรรมะอันมั่นคงในพระธรรมวินัยตลอดการนานภิกษุนั้นปรงข่มขีพวกอัญญะเรฐีปริภาชกเหล่านั้นให้เป็นการข่มขีด้วยดีโดยชอบธรรมเหมือนกับท่านอนาถบินิกะเศรษฐีข่มขีแล้วนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงยกเอาเรื่องที่ท่านอนาถบินิกะเศรษฐีได้สนทนาปราศัย แล้วก็ทําให้พวกอัญญาเรติชีเข้าใจความเป็นไปในพระพุทธศาสนาก็เหมือนเป็นการคมคีว่าสิ่งที่ผิดเป็นอย่างนี้สิ่งที่ถูกเป็นอย่างนี้คือชี้แจงให้เขาเข้าใจคราวนี้มากล่าวถึงท่านอนาถบยินดีเรษฐีที่นับว่าท่านเป็นมีผู้วาจาสัตว์แล้วก็เป็นวาจาของพระริยะย่อมเป็นหนึ่งโดยมีเรื่อง อยู่ในอัตกถาคำพีมโนรัฐปุรณีที่ขยายความบาลีมาตาสูตรคำพีอังคุตระในกายสัตตะนิบาตและในอัตกถาคำพีปปัญจสูธนีที่ขยายความบาลีรัะวินีตสูตรสูตรว่าโดยข้อเปรียบเทียบด้วยรถเจ็ดพลัดคำพีมัชฌิมนิกายมาูลปณาส แต่ในที่นี้จะขอกล่าวตามข้อความในอัจจกถริยะคำพีมโนรัฐปุรนีว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาปรนาแล้วทรงให้พระอัครสาวกทั้งปวงอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารโดยพระองค์เสด็จออกจากวัดพระเชตวันมหาวิหารทรงมุม่งหมายจะเสด็จจาริกไปในทักกินาคิริชนบทพระเจ้าประเสรนาทีกโกศล ทนานาถวิติกระเศรษฐีตลอดถึงมหาวาสิกาวิสาขาและบุคคลอื่นอีกเป็นจำนวนมากต่างไม่สามารถที่จะกราบทูลรัฐนาพระบรมศาสดาให้เสด็จกลับได้ปลายธนนาถวิติกระเศรษฐีได้นั่งคุ่นคิดเสียใจอยู่ในที่ลับแห่งหนึ่งว่าเราไม่สามารถจะทําให้พระบรมศาสดาเสด็จกลับได้ครั้งนั้น นั่งปุณทาสีและเห็นท่านานาถาบินิกะเศรษฐีเข้าแล้วจึงเรียนถามว่าข้าแต่นายเจ้าขาท่านมีอินทรีย์ไม่ผ่องใสเหมือนแต่ก่อนเป็นเพราะเหตุอะไรหรือเจ้าคะท่านานาถาบินิกะเศรษฐีตอบว่าถูกแล้วปุณทาสีด้วยว่าพระบรมศาสดาเสด็จออกไปสู่ที่จาริกแล้วเราไม่สามารถที่จะกระทำให้พระองค์เสด็จกลับได้ ทั้งอย่างไม่ทราบว่าพระบรมศาสดาจะเสด็จกลับมาเร็วหรือไม่เพราะเหตุนั้นเราจึงนั่งคุ่นคิดเสียใจอยู่ในที่นี้นี่แหละนางปุณณาศีเรียนถามท่านอนาถวิติกาเศรษฐีว่าข้าแต่นายเจ้าขาถ้าหากดิฉันกราบทูลให้พระบรมศา ส, าสดาเสด็จกลับมาได้แล่วท่านจะทำอย่างไรแกดิฉันเจ้าคะท่านอนาถบิตริกาเศรษฐีตอบว่า ปุณธาสีเราจะทำให้เจ้าเป็นไทยคือพ้นจากความเป็นาทาสทันทีนางปุณธาสีจึงไปมอบถวายบังโคมลงแทบพระยุคลบาทของพระบรมศาสดาและกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเสด็จกลับเถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสด า, สดาตรัสถามว่า ดูก่อนปุณธาสีเมื่อตถาคตกลับเธอจะกระทำอะไรล่านางปุณธาสีกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงทราบว่าปอมฉันเป็นคนอาศัยผู้อื่นเขาเลี้ยงชีพหม่อมฉันไม่อาจกระทำอะไรอย่างอื่นได้เพราะทายารรมไม่มีแต่หม่อมฉันจะตั้งอยู่ในสารณะสาม คือถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และรักษาศีลห้าพระเจ้าขะพระบรมศาสดาจริงประทานสาธุการว่าดีแล้วดีแล้วปุณณาศีและพระองค์เสด็จกลับโดยเพียงย่างพระบาทไปเพียงเก้าเดียวเท่านั้นทางนี้เพราะความครบในธรรมะสมจริงดังที่มีพระพุทธดํรรัสว่า ดูกรพิสุก์ทั้งหลายตถาคตเคารพในธรรมะมีธรรมะเป็นที่เคารพพระบรมศาสดาได้เสด็จกลับเข้าไปวัดพระเชตวันมหาวิหารมหาชนเห็นเหตุการณ์นั้นต่างก็ได้ให้สาธุการคำว่าสาธุการก็คือการเปล่งวาจาว่าสาธุเพื่อแสดงความชื่นชมยกย่องโดยให้สาธุการหนึ่งพครั้ง เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยนางปุณณาสีพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงธรรมโปรดสมาคมนั้นทำให้สัตว์แปดหมื่สี่พันได้ดื่มน้ำอมฤตน้ำอมฤตก็คือน้ำทิพแล้วเรื่องของนางปุณณาสีที่สามารถทำการได้สมเร็จสมเจตจำนงของท่านนาถปาิิกเศรษฐีแล้วนาง ได้รับผลตอบแทนเกินค่าโดยมีข้อความอยู่ในอันธกถาคำพีปปัญจสุทนีที่พิสดารออกไปว่าท่านานาถวิรกะเศรษฐีได้ฟังทิ้งความสา ม, มารถของนางปุณณาสีแล้วคิดว่าเขากล่าวกันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า เสร็จกลับมาเพราะนางปุณณาแล้วท่านเศรษฐีอนุญาตแก่นางปุณณาให้พ้นจากความปิดทาธแล้วได้ตั้งนางไว้ในฐานะเป็นลูกสาวอีกด้วยนี่ก็เป็นอันว่าท่านอนาถบินติกาเศรษฐีได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับนางปุณธาศีว่าถ้าหากว่าเธอสามารถ กลาบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับได้จะยกให้นางพ้นจากความเป็นทาสแต่ผลที่สุดนางปุณณาสีก็ได้กําไรนอกจากพ้นจากความเป็นทาสแล้วนางยังได้อยู่ในฐานนะเป็นลูกสาวของท่านอนาถาบินติกะเศรษฐีอีกด้วยนี่ก็แสดงว่าสัจวาจาของพระอริยบุคคลพูดคำใดเป็นคำนั้น ไม่มีการกลอกกรอกหลอกลวงให้หลงเชื่อเหมือนกับปุถุชนคนที่มีกิเลสหนาการเป็นคนมีความจริงใจต่อเพื่อนของท่านนาถปิติกาเศรษฐีโดยท่านได้ช่วยเหลือเพื่อนของท่านผู้มีความหลงผิดให้เปลี่ยนใจมาดําเนินชีวิตในทางที่ถูกและพอจะนับเป็นผลงานของท่านอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านได้นําบุคคลผู้นับถือลัทธิเดรธี เพื่อให้เข้ามาปฏิญาณตนเป็นอุบาสกนับถือพระพุทธศาสนาดังมีเรื่องปรากฏอยู่ในอัตถคถาชาดกที่ขยายความบาลีอปันนกชาดกคำพีขุทธกนิกายชาดกดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปในเมืองสาวัตถีประทับอยู่ในวัดประเชตวันมหาวิหารได้ตรัสพระธรรมเทศนาอปันนกธรรม อปันกฐธรรมก็หมายถึงสิ่งที่ไม่ผิดโดยทรงปราบถึงสาวกของเดรธีห้าร้อยคนผู้เป็นสหายของท่านอนาถบิดิกะเศรษฐีว่าวันหนึ่งท่านอนาถบิดิกะเศรษฐีได้พาสาวกของอัญญาเดรธีห้าร้อยคนผู้เป็นสหายของตนให้ถือดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปร้ายเป็นอันมากพร้อมทั้งน้ํามัน นำพึ่งนำอ้อยและผ้าผอนเครื่องนุ่งหม่มไปที่วัดพระเชตวันมหาวิหารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายบางโคมแล้วจึงบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นและถวายเพสั์และผ้าผรอนเครื่องนุ่งหุบทั้งหลายแก่พระพิสุสงฆ์แล้วท่านเศรษฐีก็นั่งลงในที่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแม่พวกสาวก ของอัญญะเดรถีเหล่านั้นเมื่อกราบถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วได้นั่งลงใกล้กับท่านอนาถปิฎิกาเศรษฐีพวกเขามองดูพระพักของพระพุทธเจ้าที่งามสงา่าอันประกอบด้วยสริประดุจ ด, ดวงจันทร์ในวันเพ็ญขึ้นสห้าคมองดูพระวรากายประดุจพระพรหมที่ประกอบด้วยพลักษณะพระอนุพยัญชนะ อนุพยัญชนะก็คือลักษณะในน้อยหรือข้อปลีกย่อยของพระมหาบุรุษที่มีพระสมีแผ่กว้างเป็นวงประมาณหนึ่งวาและพวกเขามองดูกลุ่มพระพุทธรังสีที่แผ่ซ่านออกวนเวียนเป็นคู่ ค, คู่พระบรมศาสดาได้ตรัสธรรมกถาคือถ้อยคำที่กล่าวถึงธรรมอันไพเราะวิจิตโดยในต่างๆ ด้วยพระสูรเสียงเปรียบดังเสียงพรมที่สมควรชวนฟังประกอบด้วยองค์8ประการเหมือนกับราชสีรุ่นหนุ่มบรรลือศีหนาฏอยู่ณนะพื้นมโนศิลาเหมือนเมฆฝนที่มีฟ้าคำรามเหมือนเทพเจ้าบรรดาลให้ฝนตกและเหมือนการร้อยกรองวงแก้วพวกสาวกของอัญยะเดรธี เมื่อได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วต่างมีจิตใจเลื่อมใสจึงลุกขึ้นถวายบังคมพระพุทธเจ้าบอกเลิกนับถืออัญญะเดรถีเป็นสรณะคือเลิกนับถือเป็นที่พึ่งที่ระลึกและได้ขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพวกสาวกของอัญญะเดรธีเหล่านั้น ต่างถือดอกไม้และมาลายเป็นต้นพากันไปที่วัดประเชตวันมหาวิหารพร้อมกับท่านอนาณาปิฎกะเศรษฐีได้รับฟังพระธรรมถวายทานรักษาศีลและธรรมโบสทกรรมอยู่ตลอดการเป็นนิตการต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากเมืองสาวัตถีไปเมืองราชคฤริในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปแล้ว พวกสาวกอัญญาเดรธีที่นับถือพระรัตนตรัยอยู่นั้นได้พากันเลิศนับถือพระรัตนาตรัยเป็นสรณะและหวนกลับมานับถืออัญญาเดรธีเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกใหม่อีกโดยพวกเขาได้ประพฤติอยู่ในฐานะเดิมของตนที่เคยนับถืออัญญาเดรธีมาก่อนนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จจากไปประทับอยู่ที่อื่นประมาณ เจถึงแเดือนแล้วพระองค์เสด็จกลับมาวัดประเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีอีกธนนาถมินิกะเศรษฐีพอได้ทราบข่าวการเสด็จกลับมาของพระพุทธเจ้าจึงพาพวกสาวก ข, ของอัญญะเดรธีเหล่านั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกโดยท่านเศรษฐีบูชาพระพุทธเจ้าโดยของหอมและดอกไม้เป็นต้นถวายบังคมแล้ว จึงนั่งลงในสถานที่ที่สมควรส่วนข้างหนึ่งฝ่ายพวกสาวกของอัญญาเดรธีเหล่านั้นก็พากันกราบถวายบ่งโคมพระพุทธเจ้าแล้วนั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งธนานาถบิิกะเศรษฐีจึงกราบทูลพระพุทธเจ้าถึงเหตุการณ์ที่พวกเขาเหล่านั้นเลิกนับถือพระรัตนตรยัยในเมื่อเวลาที่พระพุทธเจ้าเสดจาริกไปในสถานที่อื่น และพวกเขาจึงหวนกลับไปนับถืออัญญดรถีเป็นชณะคือที่พึ่งที่ ล, ลึกอย่างเดิมอีกพระพุทธเจ้าทรงสดับเครื่องนั้นแล้วจึงทรงเปล่งพระสุรเสียงอันไพเราะเปรียบดังเปิดภาอบแก้วที่เต็มด้วยของหอมมานาประการที่เจือด้วยของหอมอันเป็นทิพย์ทั้งหลายด้วยพระอนุภาพวาจีสุจริต ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาเป็นนินิรันรตลอดกฎกับที่นับประมาณไม่ได้พระองค์ตรัสถามว่าลูกก่อนอุบาสกแตถาคตได้ยินว่าท่านทั้งหลายเลิกนับถือพระไตรสรณาคมแล้วกลับไปนับถืออัญญะเดรธีเป็นชนะคือที่พึ่งที่ระลึกจริงหรือกรั้นพวกเขาไม่สามารถจะปิดบังอําพรางได้ จึงกราบทูลตามความเป็นจริงว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าจริงอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายว่าดูกอนอุบาสกทั้งหลายขึ้นชื่อว่าผู้เช่นกับพระพุทธเจ้าโดยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นย่อมไม่มี ที่กำหนดเบื้องล่างตั้งแต่นรกอเวจีเบื้องบนตั้งแต่พวักขพรหมคำว่าพวักขพรหมก็คือพรมชั้นสูงอยู่ในชั้นเนวสัญญานาสัญญาญตนะและเบื้องขวางในโล ก, กาธาตุก็หมายถึงแผ่นดินอันหาประมาณนี้ได้จะมีใครยิ่งกว่าจากไหนและพระองค์ทรงประกาศคุณพระตนไตร ที่ปรากฏในสูตรทั้งหลายเป็นต้นว่าดูก่อนพิสูตทั้งหลายสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าหรือสัตว์มีเท้ามากกาดีมีอยู่ประมาณเท่าไหร่เขากล่าวว่าพระตถาคตเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์เหล่านั้นทรัพย์คือเครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกหน้า ผู้เลื่อมสายแล้วในสิ่งที่เลิศและพระองค์ตรัสว่าอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตามผู้นับถือพระตนรไตรัยอันประกอบด้วยคุณที่สูงสุดอย่างนี้เป็นศรนะคือที่พึ่งที่ระลึกแล้วการที่จะไปเกิดในนรกเป็นต้นไม่มีมีแต่จะหลุดพ้นจากการเกิดในอบายคำว่าอบายก็คือสถานที่ที่ไม่มีความเจริญ แล้วเกิดในเทวโลกได้สวยมหาสมบัติแต่เพราะเหตุไรท่านทั้งหลายจึงทำลายสรรณะคือที่พึ่งที่ระลึกเห็นปานนี้เสียแล้วนับถืออัญญะเดรถีเป็นสรรณะคือที่พึ่งที่ระลึกนับเป็นการการะทมที่ไม่สมควรจรึงอยู่ในเรื่องนี้เพื่อจะแสดงการที่สัตว์ทั้งหลายพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ คือที่พึ่งที่ระลึกแล้วด้วยอำนาจโมกษะโมกษะก็คือความดุดพนจากกิเลสและอุดมคือสูงสุดไม่มีการบังเกิดในอบายคือสถานที่ที่ไม่มีความเจริญควรอ้างสูตรเหล่านี้คือเยเกจิพุทธังสรณนังคาตาเสแปลว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าพระธรรม หรือพระสงค์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกชนเหล่านั้นจะไม่ไปสู่อบายภูมิคาว่าอบายภูมิก็หมายถึงภูมิที่ปราศจากความเจริญมีสีได้แก่นรกเปรตอสุรกายดิรัชานคือชนเหล่านั้นจะไม่ไปสู่อบายภูมิเมื่อเวลาตายไปแล้วและจะได้กายทิพย์อันบริบูรณ แต่มรุษย์เป็นจํานวนมากที่ถูกภัยคือความกลัวคุกคามแล้วย่อมถึงภูเขาป่าต้นไม้อารามและเจดีย์เป็นที่พึ่งที่ระลึกการถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกอันอุดมเพราะเขาไม่อาจหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้ด้วยที่พึ่งที่ระลึกนั้น ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกพิจารณาเห็นอริยสัจคือความจริงอย่างประเสริฐสประการด้วยปัญญาอันชอบคือพิจารณาเห็นทุกข์ได้แก่ความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้เหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยอันได้แก่ตัญหา ความดับทุกข์ก็คือนิโรธและหนทางประกอบด้วยองค์แปดคำพระเรียกว่าอัศดางคิกมักเป็นหนทางอันประเสริฐที่ให้ถึงความระงับดับทุกข์การถึงพระัตนตรัยเป็นสระนะคือที่พึ่งที่ระลึกนั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันเกษมคือปลอดภัยหรือสบายใจ เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันอุดมคือสูงสุดเพราะเขาอาจหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้ด้วยอาศัยที่พึ่งที่ระลึกนั้นพระพุทธเจ้ามิใช่แต่จะทรงแสดงธรรมแก่เขาทั้งหลายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงแสดงธรรมโดยในต่างๆดังนี้เป็นต้นว่าดูก่อนอุบาสกทั้งหลายกรรมฐานกรรมฐานนี้ก็แปลว่า ที่ตั้งแห่งการงานหมายถึงอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งการงานของใจหรือวิธีการฝึกอบรมจิตนั่นเองกรรมฐานที่ปรารบ พ, พุท ธ, ธานุสติคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ที่ปรารบธรรมานุสติคือการระลึกถึงพระธรรมเป็นอารมณ์ที่ปรารบสังขานุสติคือการระลึกถึง ประสงค์เป็นอารมณ์ย่อมให้ได้โสดาปติมักโสดาปติผลสกทาคามิมักสกทาคามิผลอาณาคามิมักอานณาคามิผลและอรหัตมักให้ได้อรหัตผลแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าชื่อวสรนต์คือที่พึ่งที่ระลึกได้แก่พระตนาตรัยที่เธอทั้งหลายทำลายไป นับเป็นการกระทาที่ไม่สมควรเลยอันหนึ่งการที่เหล่าสัตว์ผู้มีพุท ธ, ธานุสติกรรมฐานเป็นต้นเป็นอารมณ์ย่อมได้สำเร็จอริยธรรมมีพระโสดาปติมักเป็นต้นควรแสดงด้วยสูตรทั้งหลายเป็นต้นว่าดูก่อนพิสูตรทั้งหลายทาอันเอกที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบหน่าย เพื่อความคลายราคะคือความกำลัดในกามเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานคําว่าพระนิพพานก็คือการดับกิเลสและกองทุกข์ธรรมอันเอกได้แก่อะไรได้แก่พุทธานุสติคือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าครั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนพวกอุบาสกโดยประการต่างๆดังนี้แล้วจึงรับสั่งว่าดูก่อนอุบาสกทั้งหลายแม้เมื่อก่อนพวกมนุษย์ก็ได้ยึดถือสิ่งที่ไม่ใช่สรณะมาแล้วโดยยึดถือความขาดคเนซึ่งยึดถือผิดเป็นสรณะจึงต้องตกเป็นอาหารของยักษ์ในหนทางกันดารที่พวกอมนุษย์สิงสถิตยอยู่ ได้ถึงความพินาศใหญ่หลวงมาแล้วส่วนพวกมนุษย์ผู้ยึดถือไม่ผิดพลาดดุติทางที่ถูกทางเดียวก็ได้บรรลุถึงความสวัสดีในทางที่ธุรกันดานนั้นเมื <S <S ่อพระผู <S <S ้มีพระภาคเจ้ารับสั่งดังนี้แล้วจึงทรงนิ่งเฉยอยู่ ครั้งนั้นธานานาถบิลิกะเศรษฐีลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูสลสารเสรินชมเชยและกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญการที่อุบาสกเห่านี้เลิกนับถือสาระอันสงสุดแล้วมานับถือสรณะด้วยความาคาดทะเนโดยผิดข้าพระองค์ทั้งได้เห็น แจ้งชัดในบัดนี้แล้วพระเจ้าค่ะแต่ความพินาศของมวลมนุษย์ผู้ยึดถือด้วยความขาดคะแนในทางการดานที่พวกอมนุษย์สิงสถิตยอยู่และความสวัสดีที่มวลมนุษย์ผู้ยึดถือโดยไม่ผิดในการก่อนนั้นข้าพระองค์ทาลายมีความปรารถนาจะขอทราบพระเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสเล่าให้ท่านอนาถบิดะเศรษฐีและอุบาสกเหล่านั้นฟังแต่ในที่นี้จะขอนำมาเล่าแต่โดยโยความว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรมทัตทรงครองพระนครพาราณสีครั้งนั้นมีพ่อค้าสองคนคนหนึ่งมีกองเกวีนที่เป็นบริวารคนละห้าร้อเล่มเกวียนพ่อค้าคนหนึ่งเป็นคนโง่เขลา เชื่อถือโดยการคาดทะเนเอาว่าคงจะเป็นเช่นนั้นและครั้งหนึ่งเขานำกองเกวียนห้ารอยเล่มบรรทุกสินค้ายญ้าน้ำเดินทางไปค้าขายแต่ในระหว่างทางได้มียักษ์แปลงเป็นมนุษย์มาบอกว่าที่ทางกันดานนั้นตอนนี้ไม่กันดานแล้วเนื่องจากมีฝนตกน้ำและยญ้ามีบริบูรณ ท่านจงทิ้งน้ำและหญ้าที่นำมาเถิดการเดินทางจะได้ไปรวดเร็วพอค้าผู้โง่เขาเชื่อและกระทําตามคำยักษแปลงพอเดินทางไปถึงทางที่ธุระกันดานนั้นเขาจึงรู้ตัวว่าถูกหลอกเพราะไม่มีน้ำและหญ้าเลยทาให้พวกบริวารต้องอดน้าโคทั้งหลายไม่มีน้ำและหญ้าจะกิน ร่างกายก็อ่อนเพลียไม่มีแรงที่จะเดินต่อไปในที่สุดทั้งคนและสัตว์พาหนะได้ถูกยักจับกินหมดสิ้นเหลือแต่กองกระดูกเกลื่อนกลนถึงความพินาศอยู่ในระหว่างทางธุรกันดานนั่นเองส่วนพ่อค้าผู้ฉลาดได้สั่งสอนบริวารก่อนออกเดินทางไม่ให้เชื่อถือใครง่ายๆเช่น มีใครบอกว่ามีฝนตกให้พิจารณาทบทวนดูว่าเคยมีเมฆเกิดขึ้นหรือไม่เคยมีลมเย็นไอฝนพัดมาถูกกายเราหรือเปล่าเคยได้เห็นแสงฟ้าแลบบ้างไหมและเคยได้ยินเสียงฟ้าร้องหรือฟ้าผ่ามีหรือไม่นี่เป็นข้อพิสูจน์ว่ามีฝนตกหรือไม่มีและพ่อค้าผู้ฉลาด ยังสั่งอีกว่าถ้ามีใครมาบอกให้รีบบอกให้เรารู้ด้วยผักที่ไม่เคยรับประทานถ้าพวกท่านไม่รู้จักให้ถามเราก่อนด้วยกลัวว่าจะรับประทานผักที่มีพิษเข้าไปผลปรากฏว่าเมื่อพ่อค้าผู้ฉลาดสามารถนำกองเกวียนบริวารประมาณห0 0ร้อเล่มเดินทาง ข้ามทางธุรกันดารไปได้โดยปลอดภัยยักษ์ที่พูดจาหลอกลวงพ่อค้าผู้โง่เขลาที่ออกเดินทางล่วงหน้ามาก่อนไม่อาจพูดจาหลอกลวงพ่อค้าผู้ฉลาดและบริวารของท่านได้ทั้งนี้เพราะพ่อค้าผู้ฉลาดท่านไม่ได้เชื่อถือโดยความคาดคะเนแต่ท่านเชื่อถือด้วยเหตุผลพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสเล่าเรื่องจบแล้วจึงรับสั่งว่าดูก่อรขราบดีเมื่อก่อนบุคคลทั้งหลายผู้เชื่อถือโดยความคาดคะเนต้องถึงความพินาศใหญ่หลวงแล้วส่วนผู้เชื่อถือโดยไม่ผิดสามารถเอาตัวรอดจากเงื่มมือของพวกยักษ์ได้และไปถึงที่หมายโดยความสวัสดีทั้งขาไปและขากลับมาบ้านของตน แลพระองค์ตรัสเทศนาอปันนกธรรมคือสิ่งที่ไม่ผิดหรือธรรมที่ไม่ผิดจึงตรัสพระกถาว่าคนพวกหนึ่งกล่าวถึงฐานะคือที่ตั้งแห่งเหตุที่ไม่ผิดคนนักคิดคาดดาวทั้งหลายกล่าวถึงฐานะนั่นเป็นที่สองผู้มีปัญญารู้จักฐานะและมีใช่ฐานะ แล้วควรถือเอาฐานะที่ไม่ผิดไว้ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปฏิปทาคือทางดำเนินที่ให้ประสบกับโกศลสมบัติสประการและพรหมโลกสมบัติในสวรรค์ชั้นกามาวจรกามาวจรก็หมายถึงยังท่องเที่ยวไปในกามาภพหประการแก่อุบาสกเหล่านั้นแล้วในที่สุด ตรัสถึงทางที่ปฏิบัติไม่ผิดคืออรหัตผลหมายถึงผลของความเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสถึงปฏิปทาคือทางดำเนินที่ให้เกิดในอบาย4และเกิดในสกุลต่ำห้าว่าเป็นทางปฏิบัติที่ผิดและพระองค์ทรงประกาศอริยสัจ คือความจริงอันประเสริฐสประการเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอายศัต4ประการจบแล้วอุบาสกทั้ง500คนเหล่านั้นได้สำเร็จพระโสดาปติผลเป็นพระอริยะบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาและอุบาสกเหล่านั้นไม่กลับไปนับถือลัทิเดรถีอีกต่อไปนี่เพราะได้อาศัยท่านอนาถบิกเศรษฐี เป็นผู้นำทางให้เข้ามานับถือพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นเรื่องราวที่ธนนาถามิติกะเศรษฐีเป็นต้นเหตุที่ช่วยให้สหายของท่านผู้เดินทางผิดกลับมาเดินทางถูกแล้วก็เป็นความถูกที่ช่วยให้ท่านเหล่านั้นพ้นจากการจะไปตกนรกได้เพราะเมื่อท่านเหล่านั้นได้เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ย ก็เท่ากับเป็นการปิดประตูอบายแล้วท่านก็จะได้ก้าวเข้าไปสู่พระรยบุคคลชั้นสมต่อไปท่านผู้ฟังครับชีวประวัติของท่านนาถาปิติกาสิทธีก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่อีกเพราะว่าท่านเป็นบุคคลที่ทําบุญกุศลโดยเฉพาะการบริจาคทานจึงเป็นที่เรื่องรือและเป็นที่นับถือของบุคคลทั้งหลายแต่ว่ากิติศักดิ์ ความเชื่อถือที่ปรากฏขึ้นนั้นจะเป็นไปในทางใดก็จะต้องให้ท่านผู้ฟังอดใจรอวรับฟังในวันต่อไปเนื่องจากวันนี้เวลาสิ้นสุดแล้วก็ต้องขอยุติละลาจากท่านผู้ฟังประดุเวลาเพลงนี้สวัสดีครับ